Thank mm -hmm. you. รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะสมมติว่าเธอชื่ออ้วน เ, เธอเล่าว่าวันหนึ่งตอนเช้าขึ้นสะพานลอยเดินข้ามถนนกับเพื่อนตรงบริเวณแถววงเวียนใหญ่เธอกับเพื่อนสองคนเดินไปถึงกลางสะพานก็เห็นแบงค์สามใบใบละพันตกอยู่บนทางเดิน อ้วนก็ชี้ให้เพื่อนของเธอดูนะแบงสามใบข้างหน้าแล้วเธอก็บอกว่าไอ้นั้นไม่ใช่แบงจริงหรอกพอถ้าแบงจริงเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาแถานั้นก็ต้องหยิบไปแล้วที่มันอยู่ตรงนั้นแตงว่าเป็นแบงปลอมแต่เพื่อนอเธอเนะี่ไม่ได้คล้อยตามด้วยเพื่อนเธอก็เลยเดินไปหยิบแบง สาใบาขึ้นมาเพราะว่าเป็นแบงค์พันจริงๆไม่ใช่แบงค์ปลอมด้วยก็กลายเป็นว่าแบงค์เนี่ยสามพันซึ่งควรจะตกเป็นของอ้วนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของเพื่อนไปเลือโชคนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะแต่ว่าก็กลับไปให้มันหลุดมือไปอเพียงเพราะว่าเหตุผล ซึ่งดูเหมือนว่ามันก็มีน้ำหนักนะถ้าเป็นแบงก์จริงเนี่ยคนก็ต้งหยิบไปแล้วไอ้ความคิดเนี่ยทำให้เธอไม่เชื่อว่าเป็นแบงก์จริงก็เลยพลาดโอกาสนะที่จะได้ เ, เงินส0มพันไปฟรีๆกลายเป็นของเพื่อนไปแต่เพื่อนเธอก็ดีนะก็แบ่งให้อ้วนไปพัน0นะ คนละครึ่งเราคงไม่ต้องพูดนะว่าเ ง, เงินที่เก็บได้เนี่ยควรจะทําอะไรน ะ, ะถ้าตามหลักก็ควรจะหาทางคืนเจ้าของแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดคือว่าบางครั้งเนี่ยความจริงมันอยู่ตอนหน้าทนโท้แล้วเนี่ยแต่คนเรานี่ก็ไม่สามารถมองเห็นความจริงนั้นเพราะอะไรน ะ, ะเพราะ ความคิดเพราะเหตุผลเหตุผลของอ้วนนี่มันก็ฟังดูดีนะถ้าเป็นแบงก์จริงก็ต้องมีคนหยิบไปแล้วละนะ่ะถ้าเธอเลยไม่สนใจไงแต่ความจริงก็คือว่ามันเป็นแบงก์จริงนะเรื่องนี้เนี่ยนะก็ ค, คล้ายๆกับเรื่องที่เขาเล่ากันนะในประเทศอังกฤษอเมริกาว่า ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์กับลูกศิษย์กําลังเดินเล่นนะอยู่บนลานหญ้าในหมาเทาลัยแล้วลูกศิษย์ก็ชี้ให้อาจารย์ดูว่าเนี่ยมีแบงก์อยู่ตกอยู่ตรงสนามหญ้าเป็นแบงก์ร้อดอลลาร์ศาสตราจารย์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่แบงก์จริงหรอกถ้าแบงก์จริงก็ต้องมีคนเก็บไปแล้วมันแบงก์ปลอมแน่ๆ แต่ว่านักศึกษาก็ไม่สนใจนักศึกษาก็เดินไปหยิบนะกว่าเป็นแบงก์จริงอันที่แรกก็นึกว่าแค่เรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่านะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าคนที่ชื่ออ้วนนี่เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าไอ้ความจริงเนี่ยบางทีบางทั้งที่มันอยู่ต่อหน้าเราแต่เรามองไม่เห็น ว่าความคิดหรือเหตุผลเนี่ยมันปิดบังเอาไว้จะเรียกว่าความคิดหรือเหตุผลเนี่ยมันปิดบังความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ในหลักกลธรมสูตรนะหลักกลธรรมสูตรมี10ข้อเราก็สวดอยู่เป็นครั้งคราวก็มีข้อนึงบอกว่าอย่าปรงใจอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะาด้วยเหตุผลทางตรร ก, กะอย่าปรงใจเชื่อ ด้วยการอนุมานนะอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้อย่างอ้วนเนี่ยเขาเห็นแบงค์เนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงเป็นแบงค์จริงเพราะเขามีเหตุผลของเขานะีอันนี้เราใช้ตักกะใช้การอนุมานนะถ้าเป็นของจริงเนี่ยคนก็ต้องหยิบไปแล้วแต่เพื่อนเขาไม่เชื่อนะเพื่อนเขาคงไม่รู้ว่าเขา รู้หรือเรียนเรื่องกลามาสูหรือเปล่าูุจจ ա บบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะการคิดค้นตามหลักตร ก, กะอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ต้องไปจับต้องไปสัมผัสนะมาดูเลยเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วก็พราเป็นของจริงตรากะกาหรืออาการอนุมาณเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะในการช่วยทาให้เราคิดอะไรได้ คองแคล่วมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้สรุปนะเพื่อหาข้อเท็จจริงบางอย่างอย่างเช่นเราเรียนคณิตศาสตร์เราเรียนเลขคณิตเนี่ยก็ต้องใช้ตรร ก, กะใช้อนุมานแต่ว่าก็อย่าไปหลงเชื่อมันทีเดียวเพราะว่าความจริงมันอาจจะคนละอย่างกับเหตุผลหรือตรร ก, กะก็ได้อย่างบนทางเท้าทางเดินข้ามถนนเนี่ย มันก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เยอะนะแล้วก็คงมีหลายคนนะที่เขาเห็นแบงกนะ์เนี่ยแต่ทำไมไม่หยิบนะก็คงเพราะว่าอาจจะคิดเหมือนเหมือนอ้วนก็ได้น ะ, ะเฮ้ยทำไมเป็นของจริงเนะี่ยก็มีคนหยิบไปแล้วพอคิดแบบนี้เขาก็เลยไม่มีใครหยิบเลยสักคนนะอันนี้เพราะว่าเชื่อเหตุผลมากไปเหตุผลมันก็ผิดได้นะตักกาหรือการอู้มา ก, ก็ผิดได้ อันนี้มันก็เป็นเป็นต ok ัวอย่างนะที่เชื่อเห็นว่าความคิดเนี่ยบางครั้งมันก็ปิดบังความจริงนะมันปิดให้มันปิดตาเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับความจริงที่เห็นอยู่ข้างหน้าได้เคยพูดไปแล้วนะเมื่ออาทิตย์สองอาที่แล้วนะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะในอังกฤษในยุโรปในอเมริกาเนี่ยที่เขาชื่อว่าโลกแบนถึงกับตั้งสมาคมโลกแบนขึ้นสมาชิกก็หลายพันคนนะ คนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ยอมเชื่อเลยนะว่าโลกกลมอเอาหลักฐานมายืนยันมาชี้ให้เขาดูแม้กระทั่งรูปถ่ายจากยานอาวกาศว่าโลกเนี่ยมันกลมเ้าก็ยังไม่ยอมรับเลยทําไมไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่ามันมีความคิดอยู่ในหัวว่าโลกมันต้องแบนนะอาจจะเป็นเพราะเชื่อตามคัมภีร์นะไบเบิลนะหรือว่าอนุมานตามคัมภีร์ไบเบิลว่าโลกมันแบน พอมีความเชื่ออย่างนี้ในหัวเนี่ยเห็นความจริงยังไงไม่ว่าจะเห็นด้วยตาหรือว่าได้ยินทางหูก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับการรับรู้คนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกแล้วก็เป็นอัญุตินะมันยังอยู่ที่ใจด้วยถ้าใจใจมันคิดไปอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าเชื่อไปอีกแบบหนึ่งนะ มันก็ไม่ยอมรับความจริงที่ตรงข้ามหรือว่าขัดแย้งกับความเชื่อของตัวหรือว่าถ้ามีเหตุผลบางอย่างนะไอเหตุผลนั้นก็อาจจะทําให้ไม่ยอมรับความจริงที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าก็ได้นะอย่างกรณีของอ้วนเนี่ย น, ะนั้นเราก็ต้องระวังน ะ, ะความคิดหรือเหตุผลเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะในการที่จะ ทำให้เราเข้าถึงความจริงได้เช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราเห็นความจริงทำให้เรารู้ความจริงมากมายก็อาศัยหลักเหตุผลอาศัยตรร ก, กะแต่ว่าถ้าเราไปเชื่อมันมากเกินไปมันก็กลายเป็นตัวปิดกั้นนะความจริงเหมือนกันแม้ว่าความจริงมาโผล่ต่อหน้าแล้วข้ามีเรื่องเล่าว่ามีพ่อกับลูกนะพ่อนี่ก็เป็นชาวไร่ ไปตั้งไปทําไร่ในะในเขตใกล้กับเขตป่าก็มีลูกนี่แหลนะช่วยทําไร่ด้วยลูกก็ยังเล็กนะก็ประมาณสัก9ขวบ10ขวบวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็เข้าไปหาของป่าก็ให้ลูกเนี่ยเฝ้าบ้านพ่อก็ไปเรียไปทั้งวันเลย กลับมาที่บ้านกลับมาที่ไร่เ็าบอกว่าเหลือแต่เห็นแต่เท่าฐานนะบ้านเนี่ยถูกไฟไหมวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้ก็หายไปหมดนะแสดงว่ามันมีการปล้นนะมีการมาขโมยก็ก็ตกใจมากนะแล้วเขาก็นึกถึงลูกก็ก็หาลูกเนยหาไม่เจอ แต่ไปเจอกองกระดูกอยู่ในกองเท่าฐานนะที่มันเคยเป็นบ้านเเกเสียใจมากเลยร้องหม่มร้องไหนะ้ลูกนี่ตายในกรองเพิ่ก็เก็บกระดูกลูกไว้นะเก็บไว้กับตัวแล้วก็หลังนั้นก็ย้ายบ้านไม่อยู่แล้วนะอยู่ที่นั่นก็ทำให้คิดถึงลูกชายแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วย ก็เลยอพยพนะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็คงไปหลายที่นะผ่านไปหลายปีนะก็ตั้งหลักได้นะที่เมืองเมืองหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงเคาะที่ประตูแล้วก็ตกใจว่าถามว่าใครก็มีเสียงเรียกนะจากหน้าบ้านหน้าประตูว่าพ่อพ่ อ, พอผมไงลูกของพ่อ แต่ชายคนนั้นเนี่ยแกไม่ยอมเชื่อเพราะว่าลูกแกตายไปแล้วกระดูกก็ยังเก็บไว้นะในห้องก็พูดไปว่าเนี่ยลูกฉันตายไปแล้วส่วนชายที่อยู่หน้าประตูก็บอกว่าไม่ใช่ผมยังอยู่ผมยังไม่ตายพอเปิดประตูชายคนนั้นไม่ยอมเปิดไม่ว่าจะขอร้องแค่ไหนเนี่ยแกไม่ยอมเปิดสุดท้ายชายหนุ่มที่มาขอประตูอยู่หน้าบ้านก็ ก็หมดหวังนะก็ร้องหม่ม m ร้องไห้และสุดท้ายก็เดินออกจากบ้านนั้นไปนะด้วยความผิดหวังจริงๆแล้วเนี่ยาชายหนุ่มที่มาเคาะประตูเรียกหน้าบ้านเนี่ยเป็นลูกของชายคนนั้นนะคือโจรเนี่ยมาป้นแล้วก็มามาลักขโมยเอาวัวเอาควายไปแล้วก็ ลักขโมยเด็กไปด้วยเด็กชายนั้นเนี่ยคงกะ จ, จะเอาไปเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปเอาไปปลูกฝังให้เป็นโจรนะ เ, เหมือนพวกตัวเพราะพูดนี้นก็ต้องมีมีผลพักรุ่นเก่าตายไปก็มีรุ่นใหม่มาแทนที่แต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะหลังจากที่อยู่ในการเลี้ยงดูของโจรกลุ่มนี้มาหลายปีจนจนโตเป็นชายหนุ่มเนี่ยสักวันหนึ่งก็หนีมาได้ ตอนนี้ไม่ได้ก็ตามหาตามหาพ่อจนกระทั่งมาได้ข่าวว่าเนี่ยพ่อมาตั้งสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แกก็ดีใจนะหาบ้านพ่อจนเจอแล้วก็เรียกพ่อนึกว่าพ่อจะต้อนรับปรากาพ่อไม่ยอมต้อนรับเพราะอะไรพ่อพ่อเชื่อว่าลูกตายไปแล้วเห็นกระดูกเนี่ยเก็บกระดูกไว้ด้วยถามว่าลูกเนี่ยถามว่าพ่อเนี่ย รักลูกไหมโออยากจะรักลูกจ ะ, จะเจอลูกจะตายแต่เพราะเชื่อว่าลูกตายไปแล้วก็เลยไม่ยอมเปิดประตูนะให้ลูกเนี่ยเข้ามาที่บ้านก็กลายเป็นว่าขณะลูกเนี่ยมามาหาถึงหน้าบ้านแล้วแกก็ยังปฏิเสธอันนี้ก็เป็นทิฏฐานนะที่มันสอนใจได้ดีนะว่าคนเราเนี่ยแม้ความจริงนะหรือศัจธรรมเนี่ย มาโผ่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับนะเพราะมันมีความเชื่อฝังอยู่จะเป็นเพราะเหตุผลหรือจะเป็นเพราะความคิดก็แล้วแต่มันก็ปิดนะใจก็ปิดไม่ยอมรับความจริงลูกชายนี่ก็เปรี่ยนเหมือนเป็นตัวแทนความจริงนะซึ่งพ่อก็โหยหาแต่ว่าเพราะว่าปักใจเชื่อเสแล้วว่าลูกตาย ก็เลยไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมเปิดประตูประตูนั้นก็เหมือนกระใจนะคือไม่ยอมเปิดประตูใจให้ความจริงรูปสัจธรรมเข้ามาคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องรูปสัจธรรมนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องความดีอีกส่วนนึ่งเป็นเรื่องความจริงเช่นเรื่อ ง, ง อ, งอนิจจังทุกขังกัณตาเรื่องรูปเรื่องนามเป็นความจริงที่จะช่วยทําให้คนพ้นทุกข์ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่นะส่วนมากก็ไม่ยอมรับ ขณะนั้นที่ความจริงมันก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลามีเห็นเปิดเผยทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าจากต้นไม้จากดวงดาวจากพระอาทิตย์จากเวลากลางคืนเปลี่ยนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนธรรมะนี่มันแสดงตัวให้เราเห็นตลอดเวลาแต่ใจเราไม่เปิดนะเพราะว่ามันมีความคิดบางอย่างฝังอยู่ในหัว มันไม่ใช่เฉพาะความคิดเรื่องที่เป็นความเชื่ออย่างโลกโลกอย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องความอยากด้วยชเช่นธรรมชาติคนเราเนี่ยมันก็ยึดมันก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเที่ยงอยากจะให้ทุกอย่างคงที่คงตัวแล้วก็เชื่อทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวมีตนไอความเชื่อทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวมีตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝังลึกในจิตใจคนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยอมรับไม่ได้นะเรื่องอนัตตา หลายคนเนี่ยอาจจะยอมรับได้ในเรื่องอ น, นิจจังทุกขังนะเพราะว่ามันแสดงตัวให้เห็น อ, อยู่ได้ชัดเจนกว่าถึงไม่ถึงไม่เชื่อก็อย่ายงนสุดก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จากหนุ่มจากเด็กก็เป็นหนุ่มหรือสาวจากสาวหรือหนุ่มก็กลายเป็นแก่จากแก่ก็เป็นตายอันนี้มันแสดงอ น, นิจจังทุกขังให้เห็นนั่งอยู่เฉยๆมันก็ แม้จะนั่งในท่าที่สบายมีเบาะรองสุดท้ายก็ปวดก็เมื่อยอันนี้ก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นทุกขังนะแต่กว่าจะยอมรับตรงนี้ก็ใช้เวลานานนะเพราะคนก็ยังเชื่อว่าร่างกายนี่มันเป็นสุขแล้วก็ยังอยากจะให้ร่างกายนี่มันทำความสุขให้กับเราแต่เรื่องอนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่ควรจะเชื่อยากที่ควรจะยอมรับเคยไปอยู่กับชาว ชาวอังกฤษนะสมัยไปจำพรรษาที่วัดอมรวดีที่นั่นนี่ก็มีชาวพุทธนะที่สนใจพุทธศาสนาเยอะเคยสนทนากับโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งสนซึ่งรู้เรื่องพุทธศาสนาดีแล้วก็ภาวนาด้วยนางเธอก็ไล่เฝ้าว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันเข้าไม่ยอมรับนะยากที่จะยอมรับได้เรื่องอนัตตาไอเรื่องอนิจจังทุกขังนี่ยังพอจะยอมรับได้นะแต่เรื่องอนัตตานี่ ไม่ยอมรับเพราะว่ามันมีความคิดฝังอยู่ในใจว่ามันมีตัวตนอยู่มันมีกูมันธรรมชาติของจิตส่วนลึกเนี่ยมันต้องการต้องการเป็นอมตะนะมันต้องการเป็นอมตะในด้านหนึ่งมันก็เลยไม่ยอมรับเรื่องความตายอีกส่วนนึงมันก็เลยยากที่จะยอมรับได้ว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันไม่มีจริง พอรู้ว่าตัวพอรู้ว่าตัวกูไม่มีจริงเนี่ยมันก็จิตใจก็ขัดขืนต่อต้านแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอย่าว่าแต่อนาตตาเลยนะแม้กระทั่งอนิจจังทุกขังเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่โดยเพราะทุกขังที่มันไม่ใช่เป็นแค่ความแก่ความเจ็บแต่เป็นความตายเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้นะที่จริงก็เรียกว่าร้อยทั้งร้อยก็รู้ว่าคนเราเนี่ยในที่สุดก็ต้องตายแต่เวลาพูดถึงความตายก็นึกถึงความตายของคนอื่น เวลาบอกว่าคนทุกคนต้องตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะวงเล็บว่าไม่ใช่ชั้นนะคนทุกคนต้องตายคือคนอื่นนะนะที่ต้องตายนะแต่ว่าไม่ใช่ชั้นตายหรือว่าอาจจะยอมรับมีความตายแต่ว่าในใจมันก็ยอมรับความตายไม่ได้ความตายเป็นการรับรู้แค่ในหัวแต่ว่าใจไม่ยอมรับนั่นหลายคนเนี่ยพอเจอพอเห็นศพเนี่ยนะเห็นศพอยู่ต่อนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึก ห่อเหี่ยวขึ้นมาเลยเหมือนกับมันเป็นการยืนยันนะว่าให้ความตาย เ, เป็นของจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแล้วภาพศพเนี่ยมันก็ไปกระแทกอัตตาความปารสนาที่เป็นอมตะอยากจะอยู่คําฟ้าเนี่ยแต่พอเห็นความจริงอยู่ต่อนหน้าเนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวใจมันขึ้นไม่ยอมรับทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ มันก็มีาการต่อต้านอยู่ข้างในบางคนเนี่ยนะอายุสี่สบแล้วเนี่ยใจมันยังไม่ยอมรับเลย ว, ว่าความตายนี่มีอยู่จริงด้วยซ้ํามีผู้หญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้กำกับละครแล้วก็ทําหนังโฆษณาด้วยเพื่อนเธอก็อยู่ต่างจังหวัดนะมาเยี่ยมเพื่อน ที่โรงพยาบาลเพื่อนก็ชวนไปหอพักเธอก็ตามเดินตามเพื่อนไประหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอผ่านอาคารที่เขาใช้เก็บศพของโรงพยาบาลเก็บศพเพื่อใช้ผ่าชันสูตรรวมทั้งแค่ตั้งศพเอาไว้ในกรณีที่ป่วยนะด้วยโรคถ้าไม่ต้องผ่านะก็เตรียมให้ญาติพี่น้องมารับศพ นะกลับไปทําพิธีทางศาสนาที่บ้านไอตอนที่เดินผ่านตึกนั้นเนี่ยก็บังเอิญเขากําลังเคลื่อนย้ายศพขึ้นรถเธอเห็นเธอก็ตกใจอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ยพูดกับเพื่อนว่าเอ๊ยตายจริงๆก็มีด้วยเหรอพวยไงตายจริงๆก็มีด้วยเหรอเพราะว่าประสบการณ์เธอเนี่ยไม่เคยเจอคนตายจริงๆแล้วก็ที่ตายเนี่ยก็เห็นแต่ตายใน ในละครในโทรทัศน์เธอทำละครเธอทำโฆษณามันก็มีคนเนี่ยที่เล่นบทเป็นคนตายแต่พอเสร็จการถ่ายทำนะทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาไม่มีใครที่ตายจริงสักคนมีแต่ตายหลอกหๆ ก, ก็เลยพอเจอภาพนะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยตกใจอุทาขึ้นม า, าเฮ้ตายจริงๆก็มีด้วยหรือ มันไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่อายุสี่สิเนี่ยอุทธานแบบนี้ขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคใครๆก็สามารถจะอุทานแบบนี้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าในใจเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อนะว่าความตายเนี่ยมันมีจริงความตายเนี่ยมันมีอยู่แต่ในหัวนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่เชื่อใจไม่ยอมรับเพราะว่าลึกๆมันอยากจะเป็นอมตะอยากจะอยู่ค้าฟ้านะ ยอมรับได้เรื่องความตายของคนอื่นแต่ว่าความตายตัวเองหรือความตายคนใกล้ตัวนี่ยอมรับได้ยากอย่างนางกีสาวกตมีเนี่ยก็เป็นคนฉลาดนะในสายพุทธการนี่เธอคงเห็นคนตายมาเยอะแต่พอลูกตัวเองตายเนี่ยอายุแค่สองสาขวบกําลังน่ารักทําใจไม่ได้ยังเชื่อว่าลูกเนี่ยสามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้ามีคนช่วยก็เลยอุ้มศพลูกเนี่ย ไปตามที่ต่างๆไปวิงบองร้อนขอให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วแต่นางกีสาวกตมีก็ไม่ยอมเชื่อก็ยังพยายามนะหาใครต่อใครมาช่วยปลุกลูกเธอให้ฟื้นสุดท้ายก็มีคนแนะนำให้ไปหาพุทธเจ้าเมื่อเจ้าเห็นนางกีสาวกตมีอุ้มศพลูกมา พระองค์เนี่ยนะสามารถเทียบพูดให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้มากมายแต่พอเจอนางกีสาวกตมีเนี่ยพระองค์ก็รู้เลยว่าเพียงแค่พูดให้นางยอมรับความตายของลูกเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นแทนที่พระองค์เนี่ยจะบอกนางกีสาวกตมีว่าลูกเธอตายแล้วความตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่จะหนีความตายพ้นคําสอนแบบนี้พระเจ้าไม่ตัดเลยนะกับนางกีสาวกตมี กลับบอกนางว่าเนี่ยเราช่วยลูกเธอได้ถ้าหากว่าเธอไปหาไม้ประกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายว่านางเกศขวัญตมิตรก็ดีใจเลยนะอุ้มศพลูกไปเข้าไปในกรงสาวัตถีไปถามหาแต่และบ้านมันมีไม่ประกาดไหมทุกบ้านก็มีทั้งนั้นแต่พอถามว่ามีคนตายหรือเปล่านะั้นทุกบ้านก็มีคนตายปู่บั่งปู่ตายบั่งย่าตายบ้าง ตายยายตายบ้างพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างลูกตายบ้างคนสมัยก่อนก็ตายที่บ้านอยู่แล้วถึงไม่ตายที่บ้านก็ก็ต้องมีความพักพลาดเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวทีละน้อยทีละน้อยเยเธอก็เริ่มยอมรับดเออความตายเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนทุกครอบครัวสุดท้ายใจก็ยอมแพ้ใจยอมรับได้ว่าลูกตายไปแล้วถึงเอาลูปไปฝังถึเอาลูปไปเผา ถามว่านางกิฬากอตเตอร์มีเนี่ยะไม่เคยเห็นคนตายเลยหรือไม่รู้ว่าคนเราก็ต้องตายอก็รู้นะแต่มันเป็นการรู้ในระดับสมองนะแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ยอมรับโดยเฉพาะเมื่อความตายเกิดขึ้นกับคนรักัการที่คนรอนี้มันจะยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายโดเฉพาะความจริงที่มันสวนทางกับความเชื่อหรือว่าสวนทางกับความอยากความปรารถนามันไม่ใช่แค่คนโง่เท่านั้นนะ ที่ไม่ยอมรับความจริงนะคนฉลาดเนี่ยก็ไม่ยอมรับความจริงได้แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ชัดเจนโจ่งแจ้งนะไม่ต้องใช้หัวคิดอะไรมากนะแต่เพราะว่าใจเนี่ยนะมันไม่ยอมรับหรือว่ามันมีความคิดความเชื่อบางอย่างอาจจะเป็นความกลัวก็ไดนะ้ความกลัวนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งทําำให้คนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริง มันมีเก็กบประวัติศาสตร์เล่านะสมัยก่อนสงครามโลกที่สองเนี่ยสตาลินเนี่ยแห่งรัสเซียกับฮิตเลอร์เขาไม่ค่อยถูกกันนั้นนะเป็นปรปัปากกันอย่างตรงเอนข้ามเลยแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็กลัวกันสุดท้ายเนี่ยก็ทำสมรันทไมตรีนะเป็นมิตรต่ อ, ก, นะต อ, ตอกันเป็นพันธมิตรฮิตเลอร์ต้องการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็เพราะว่าต้องการไปทาสงครามในยุโรปนะ ไม่อยากจะเจอศึกสองด้านส่วนสตาลินก็ไม่อยากจะลบกับรัสกับฮิตเลอร์เพราะว่ายัางไม่พร้อมแต่พอฮิตเลอร์เนี่ยเริ่มจะพร้อมแล้วนะแกก็เริ่มที่จะบุกรัเสเซียแล้วก็มีนายทหารของรัเสเซียเตือนสตาลินนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยกำลังจะบุกรัเสเซียสตาลินไม่ยอมเชื่อนะ ที่ไม่ยอมเชื่อเพราะใจมันไม่อยากจะยอมรับว่าฮิตเลอร์จะบุกเพราะถ้าบุกเนี่ยรัเสเซียพีนาดแน่เพราะไม่ไม่พร้อมเลยไอ้ความกลัวว่าว่าฮิตเลอร์จะบุกเนี่ยก็เลยพยายามหาเหตุผลว่าเอ้ยมันฮิตเลอร์มไม่ทําหรอกฮิตเริ่์มันกลัวเรานะฮิตเริม่มกลัวรัเสเซี ย, น, ยนะพูดกับนายพลนะที่มาเตือนเวลาผ่านไปไม่นานอังกฤษ ก, ก็บอกฮิตเลอร์เอาบอกสตาลินว่า ฮิตเลอร์จะบุกรักเสเซียจริงๆนะสตาลินก็ไม่เชื่อบอกว่า น, นี่เป็นแผนยุยงของอังกฤษนะต้องการให้รัเสเซียกับเยอรมันแตกแยกกันเนี่ยหาข้ออ้างทั้งที่ข้อมูลของอังกฤษเนี่ยมันเต็มเพียบไปหมดนะสายลับของรัเสเซียก็มาเตือนอีกนะว่าฮิตเลอร์บุกหน้าตอนนี้เริ่มมีการระดมพลแถวโปแลนด์แล้วโปแลนด์นีมน่มันอยู่ใกล้กับรัเสเซียสตาลินบอกไม่มีทางนะ ฮิตเลอร์เนี่ยไม่ทําศึกสองด้านหรอกฮิตเลอร์มันฉลาดจะตายมีทําศึก2ด้านไปทําศึกกับยุโรปแล้วมาทําศึกกับเราได้ยังไงนะอีกอย่างเนี่ยฮิตเลอร์ก็บอกกับทูตของเราว่าเขาแค่ซ้อมลบเฉยๆนะสตาลินที่เป็นคนที่เราแวงทุกอย่างนะก็ดันไปเชื่อเหตุผลของฮิตเลอร์เนี่ยเพียงแค่คําพูดไม่กีป่ประโยคและต่อมาเนะี่ยฮิตเลอร์ก็เตรียมบุกนะกองทัพเนี่ยมามาประจันอยู่ตรงบุกเข้ามาจนถึง ชายแดนรัสเซียแล้วนะขนาดถึงขนาดนี้แล้วสตาลินก็ยังปฏิเสธนะว่าอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่เป็นแผนฮิตเลอร์นะมันเป็นในกองทัพเยอรมันนายพลเยอรมันมันทําไปโดยพลกการฮิตเลอร์ไม่รู้เรื่องหรอกนะยังแก้ต่างฮิตเลอร์เองนะขนาดว่าสุดท้ายเนี่ยกองทัพฮิตเลอร์เนี่ยมันบุกเข้ามาในบุกเลยเข้ามาในดินแดนรัสเซียแล้วเนี่ยตสตาลินยังไม่ยอมรับอีก บอกว่าเนี่ยจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทูตทูตเยอรมันประจํากรุงรัสเซียอประจํากรุงมอสโกและสุดท้ายนะทูตเยอรมันก็ยืนยันนะว่าบุกหน้าประกาศสงครามแล้วสตาลินีเป็นใบเลยนะอึง้งพูดไม่ออกทําอะไรไม่ได้เลยนะมืนชาไม่รู้จะทํำยัำยงไงตกใจไปหมดเลยไม่สามารถจะสั่งบัญชาการอะไรได้เป็นใบเงี้มาสองวัน จนกระทั่งเริ่มทําใจยอมรับได้ว่าเฮ้ยกองทัพนี่มันบุกเข้ามาแล้วแต่กว่าจะเริ่มสั่งการนี่นกองทัพยเยอรมันก็ลุกเข้ามาในรัสเซียเป็นร้อยกิโลเมตรเลยไอซาลิเม่เป็นคนโง่นะเป็นคนฉลาดนะแต่บางครั้งเนี่ยไอความความกลัวนะความกลัวหรือความไม่อยากจะให้เยอรมันบุกรัสเซียเนี่ยมันก็ทําให้ พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงพยายามที่ปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงใครก็จะพูดใครก็จะเตือนก็ไม่ยอมรับไอความกลัวก็ดีหรือว่าความเชื่อในหัวเราก็ดีเนี่ยนะมันมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันสามารถจะทำให้เราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงและพอไม่ยอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโทษกับเราคนที่ป่วยหรือว่าอ่หมอพบว่าเนี่ย มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับและทั้งที่พบว่าป่วยจริงนะใจก็ยังปฏิเสธเป็นไปไม่ได้หรือบางทีก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งใจมันปฏิเสธบางทีถึงขั้นว่าทําไมต้องเป็นชั้นต้องเป็นชั้นในหะ้ความจริงเนี่ยนะเ ด, ยเดี๋ยวว่าแต่ความจริงทางธรรมะนะ ที่มันลึกซึ้งเลยแม้กระทั่งความจริงทางโลกนะอย่างที่มันเห็นชัดด้วยตาเนี่ยหรือว่ารับรู้ได้ด้วยหูเนี่ยเช่นแบงค์ธนบัตรที่ทิ้งอยู่ข้างหน้านะหรือว่าข้อมูลข่าวสารนะที่มันยืนยันมาหลายทางหรือแม้แต่ภาพถ่ายว่าโลกกลมเนี่ยพอมีความเชื่อบางอย่างเสร็จแล้วนะมันก็ไม่ยอมรับและเพเหตุนี้นะ คนเราจะตกเป็นทางกิเลสได้ง่ายเพราะกิเลสนะความอยากเนี่ยมันก็สรรหาเหตุผลที่ทําให้เราไม่ยอมรับความจริงคนที่ติดบุหรีติดเหล้าเนี่ยนะถามว่าเขาไม่รู้หรอว่าไอ้เหล้าหรือบุหรีเนะี่ยมันมีโทษแต่ว่าในใจเขาเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะไอ้ความที่ความอยากมันก็บอกว่าเฮ้ยคงไม่ใช่เราหรอกนะไอ้ที่เป็นมะเรนะ็งเนี่ยที่ที่ตายกันเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะแต่ว่าไม่ใช่เราหรอกคนที่ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยโดยที่ไม่ไม่ใช้ถุงยางเนี่ยหลายคนก็บอกกับตัวเองเฮ้ยคนอื่นเขาเป็นเอจกันแต่ไม่ใช่เราหรอกคนเรานี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าใครต่อใครเป็นเอจกันเพราะว่าไม่ใช่ไม่สวมถุงยางแต่พอถึงคราวตัวมันก็ไม่ยอมรับว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอาจจะเพราะเป็นเพราะความโลภความอยากหรือความประมาท แต่แล้วพอเป็นเข้าไงโอ้ยโว ย, โยวา ย, วายตีโพย ต, ตีพายมันต้องเป็นชั้นคนที่ติดอบายามุกเนี่ยนะการพ น, นันเล่าวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นโทษนะแต่ว่ากิเลสมันก็ปรุงแต่งเหตุผลสันทายผลมาเพื่อที่จะยืนยันว่าโอ้ยมันไม่เกิดผลเสียอย่างที่มันมันไม่เกิดผลเสียกับเราอย่างที่เกิดกับคนอื่นหรอกคนอื่นเขาเล่นแล้วเสียนะแต่เราเล่นเนี่ย มันมีแต่ได้นะมันก็สรรหาเหตุผลไปทั้งที่เสียไปเยอะแยะแล้วนะมันก็ยังหาเหตุผลที่จะไม่ยอมรับความสูญเสียไอ้กิเลสนี่มันฉลาดมากในการหาเหตุผลในการหาความในการสรรหาเหตุผลเพื่อที่จะทําให้เราไม่ยอมรับความจริงทั้งที่ความจริงนี่มันเกิดขึ้นต่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนการที่เรามีสติรู้จักทักท้วง นะความคิดทักท้วงเหตุผลต่างๆที่เกเรมาสันหานี่สำคัญมากนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ทักท้วงนะมันก็จะตกเป็นเครื่องมือของกิเลสหรือว่าเหตุผลสวยรูต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากความยึดความอยากความหลงก็ได้เอาคำนี้ก็ฝาบกเท่านีีนะกลับมาพร้อมกัน